ตอนที่11ตัดขาดญาติมิสสินภาระในภายหลังเช้าวันต่อมาเรื่องที่ชินเสี่ยวซานมาก่อเรื่องเมื่อคืนก็แพร่สะพัดไปทั่วเขตที่พักอาศัยของพนักงานโจเวยหมินและโจเตอซุนทราบเรื่องจึงรีบเดินทางมาที่ลานบ้านตั้งแต่เช้าตรู่สะพ้ายน้อยไม่ใช่ว่าอาจจะว่าเจ้านะแต่พวกเจ้าเป็นหญิงสาวสองคนอยู่บ้านกันตามลําพังมันไม่ได้มันอันตรายเกินไปโจเตอซุนทําทีเป็นห่วงเป็นใยแต่แล้วก็เปลี่ยนหัวข้อกระทันหันถามถึงเรื่องที่เขาสนใจที่สุดออกมาโดยตรง และเงินชดเชยของพี่ใหญ่นั่นนั่นไม่ได้ถูกชิงไปใช่ไหมซูมานอินยืนอยู่ที่หน้าประตูนางสายหน้าพลางปลายตามองเขาแวบหนึ่งก่อนจะเลิกสนใจเขาอีกหันไปมองโจเว่หมิม่นเขาเอาตะก้มหน้าก้มตาช่วยเก็บกวาดข้าวของในลานบ้านอย่างเงียบเชียบเมื่อเปรียบเทียบ ก, กันแล้วความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองก็ปรากฏชัดแจ้งทันทีท่านแม่ท่านกับน้องสะพ้ยไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับหลังจากโจเว่หมินเก็บกวาดเสร็จ ประโยคแรกที่เขาเอ่ยออกมาคือการถามถึงความปลอดภัยของคนทั้งสองไม่เป็นไรจ้สสายตำรวจมาได้ทันเวลาพอดีพวกเราเลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรซูมานอิงยื่นแก้วน้ำส่งให้โจเว่หมินเว่หมินดื่มน้ำสักหน่อยเถอะโจเตอซุ่นที่ถูกเมิอนอยู่ด้านข้างรู้สึกกระอักระอ่วนอยู่ไม่น้อยชินเสียวเวย่ยื่นผ้าขนหนูให้โจเว่หมินอีกแรงแต่เขากลับปฏิเสธไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับไปล้างตัวที่บ้านก็ได้ ซูมานอินนึกไม่ถึงว่าพ่อหนุ่มที่พูงเงียบผึ่คนนี้จะรู้จักวางตัวและรักษาระยะห่างได้ดีเพียงนี้สบายน้อยให้กุ้ยหลานมาอยู่ที่นี่ด้วยเถอะโจเตอร์ซุ่นเสนอขึ้นมาอีกครั้งกุ้ยหลานไม่เพียงแต่จะช่วยเฝ้าบ้านได้แต่ยังช่วยพวกเจ้าทําอาหารได้ด้วยนะประโยคนี้โดนใจฉินเสี่ยวเย่เว่เข้าอย่างจังนางไม่มีพรสวรรค์ในการทำอาหารเลยจริงๆนางกระพริบตาปิดปิดพลางส่งสายตาให้ซูมานอินอย่างต่อเนื่องแต่ซูมานอินกลับทําเป็นมองไม่เห็น อาเตอร์ซุนคาหาักต้องพึ่งพากุยหลานไปตลอดต่อไปพวกเราก็คงจะทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างซูมานอินประสานมือไว้ที่ชายเสื้อพลางส่งยิ้มบางๆปฏิเสธความหวังดีของโจเตอร์ซุนพวกเราต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วจะทำตัวเป็นคนไร้ค่าที่เอาแต่รอคนประเคนเสื้อผ้าถึงมือป้อนข้าวถึงปากไม่ได้หรอกคะ่ะไม่เป็นไรนค่าเต็มใจเป็นคนไร้ค่าที่อยู่ไปวันๆรอความตายได้นะ ชินเสี้ยวยาวขยับเข้าไปใกล้สูมานอินพางกระซิบประซาบเบาๆแต่กลับถูกสูมานอินถลิงตาใสจนต้องรีบผูก ป, ปากเงียบโจเตอซุ่นยังอยากจะพูดอะไรต่อแต่กลับถูกโจเว่หมิ่นดึงตัวไว้อสองพวกเรากลับกันเถอะครับพี่สะพายใหญ่กับน้องสะพายพวกนางย่อมมีแผนการในใจอยู่แล้วซูมานอินมองโจเว่หมิ่นด้วยความทราบซึ้งนางไม่อยากจะเสียเวลาต่อความยาวสาวความยืดกับโจเตอสุ่นอีกจริงๆทว่าโจเตอสุ่นยังไม่ทันจะเดินพ้นประตูคนที่น่ารังเกียจก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง ชินเสี่ยวเยเวเจ้าลูกเนรคุณเจ้าทำร้ายกระทั่งน้องชายตัวเองจิตใจเจ้าทำด้วยอะไรถึงได้อมหิทเพียงนี้เสียงของหลิวอวี๋หงดังลอยเข้ามาในลานบ้านก่อนที่ตัวจะมาถึงเสียอีกซูมานอินรู้สึกปวดหัวจี๊คนชั่วพวกนี้ทำไมถึงได้ตามจองล้างจองผานเหมือนกาวตราช้างที่สลัดไม่หลุดเสียทีนะเมื่อเห็นหลิวอวี๋หงและชินเหรียญซานบุกเข้ามาในลานบ้านโจ้วยหมิ่นและโจเตอสุ่นก็หยุดฝีเท้าลงทันทีที่หลิวอวี๋หงก้าวเข้ามาในบ้านแล้วเห็นอาลานตระกูลโจอ ย, อยู่ด้วย นางก็ตกใจจนชะงักไปตามสัญชาติตยานแต่ยังดีที่ครั้งนี้นางพาฉินเหลียนซานผู้เป็นสามีมาด้วยไม่อย่างนั้นนางคงจะรู้สึกขยัดอยู่ไม่น้อยชินเสี่ยวเยเว่เจ้าออกมานี่เดี๋ยวนี้ชินเสี่ยวเยว่อยู่ข้างหลังซูม่านอิ่นน้ำตายังไม่ทถลไม่ออกมาคําพูดก็ติดอยู่ที่ลําคอพ่อแม่พวกท่านจะทําอะไรกันคะหรือเพียงเพราะข้าเป็นลูกสาวข้าถึงสมควรถูกพวกท่านย้่ำยีถึงเพียงนี้เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรของเจ้าข้าไปย่ำยีเจ้าตอนไหนกัน ลิวอวีหงแผดเสียงด่าทดออย่างรุนแรงจนทําให้เพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้ไปทํางานพากันมามุงดูอีกครั้งงานแต่งนั่นเจ้าก็เป็นคนเลือกเองแท้ๆถ้าเชื่อฟังพวกเราเจ้าจะต้องมาเป็นไม้แบบนี้ไหมจะพูดเรื่องพวกนั้นไปทําไมรีตามพวกเราไปที่สถานีตํารวจเดี๋ยวนี้ชินเหรียนซานใบหน้ามืดครึ้มก้าวเท้าเข้าไปหมายจะคว้าตัวฉินเสี่ยวเย่าซูม่านอินจึงรีบเข้าไปขวางไว้ทันทีคุณพ่อโดงจะทําอะไรคะคิดว่าตระกูลโจของพวกเราไม่มีคนแล้วหรืออย่างไร เสียงตะโกนประโยคนี้ของซูมานอินปลุกเลือดในกายของสองอลานตระกูลโจให้เดือดพล่านขึ้นมาทันทีทั้งสองคนก้าวออกไปข้างหน้าพร้อมกันเพื่อขวางหน้าซูมานอินเอาไว้ชินเหรียนซานปั้นหน้ายักย้ายจ้องเขม็งไปที่ซูมานอินนางเมียน้อยหน้าไม่อายอย่างเจ้าอายุคราวเดียวกับเสี่ยวเยเว่แท้ๆยังจะมาหวังมากเป็นแม่อีกรึแววตาของชินเหรียญซานเย็นเยียบนี่แค้นของลูกชายข้าข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าไม่ช้าก็เร็เทีย ชินเลนซานถึงกับอึ้งเขาไม่คาดคิดเลยว่าซูมานอินจะกล้าตบหน้าเขาฉาดใหญ่ขนาดนี้แม้แต่สองอลานตระกูลโจที่อยู่ข้างๆก็ยังตกตะลึงไปตามๆกันชินเลนซานอย่ามาอาศัยว่าตัวเองอายุมากกว่าแล้วพ่นวาจาสกปรกใส่คนอื่นเจ้าว่าใครหน้าไม่อายกันหากจะมีหน้ามีตาจริงทําไมถึงไม่รู้จักหาเงินเองแต่กลับคอยสูบเลือดสูบเนื้อลูกสาวประทังชีวิตแบบนี้ละ่ะเสียแรงที่เป็นลูกผู้ชายตัวโ ต, วตวไม่รู้จักยางอายบ้างเลยหรือไง ชินเหรียญซาน ร, รู้สึกแสบร้อนที่ใบหน้าแต่ความเจ็บนั้นยังเทียบไม่ได้เลยกับคำพูดที่ทิมแทงใจพวกนี้ชินเสี่ยวยาวเจ้าจะยินดูเฉยเฉยให้คนบ้านสามีรุมด่าพ่อตัวเองแบบนี้หรือชินเสี่ยวเยเวสอื้นให้พอค่ำเมื่อวันพวกเสี่ยวซานทำเกินไปจริงๆคุณอาตํารวจบอกว่าถ้าแม่เล็กไม่ยอมเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนพวกเขาก็จะไม่ได้ออกมาค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นชินเหรียนซานและหลิวอวีหงก็ถึงกับน้ำท่วมปากเงียบปริดไปทันที โจเตอสุ่นก้าออกมาช่วยไ ก, กล่เกลี่ยที่ฉิงที่สะพายเราคนกันเองทั้งนั้นมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆใจกันเถอะครับฉันเองก็อยากจะคุยดีๆเหมือนกันข้าแต่ดูเขาซีอ้าปากก็ด่าคนอื่นแล้วซูมานอินทาวเซลด้วยความโกรธตั้งแต่เกิดมาจนโตซูมานอินคนนี้ยังไม่เคยถูกใครรังแกขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เจ้าก็ตบหน้าเหล่าฉินของข้าเหมือนกันนี่ลิวอวีหงมองใบหน้าที่บนแดงของสามีด้วยความสงสารในใจก็ได้แต่ก่นดาวว่าซูมานอินคนนี้ช่างลงมือหนักเหลือเกิน หากไม่ใช่เพราะลูกชายยังถูกขังอยู่ที่สถานีตำรวจและต้องอ้อนวอนขอให้ซูมานอินเซนหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนฉบับนั้นล่ะก็นางคงพุ่งเข้าไปตบตีด้วยแล้วนั่นมันสมควรแล้วซูมานอิงจ้องเลือกเข้าไปในดวงตาที่ลุกเป็นไฟของชิ้นเหรียนซานอย่างเย็นชาจนบีบให้เขาต้องเป็นฝ่ายหลบสายตาไปเองชิ้นเสียวเยเวเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาเติมเชื้อไฟต่อแม่เล็กคะพ่อกับแม่ของหนูก็ลำบากมากแล้ว เห็นแก่ที่พวกเขาอายุมากแล้วช่วยเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนให้เถอะนะคะน้ำตาของชินเสี่ยวเย่ไหลพร่าเป็นสายนางดึงมือสู่ม่านอินพรางอ้อนวอนนั่นคือน้องชายแท้ๆของหนูจะปล่อยให้เขาติดคุกจริงๆไม่ได้หลอกข้าหากต้องรอยสิบปีแปดปีกว่าจะได้ออกมาถึงตอนนั้นเขาคงเสียคนไปแล้วว่าไงนะเขาต้องติดคุกรึเมื่อได้ยินว่าลูกชายต้องติดคุกแถมยังนานถึงสิปีแปดปีหลิวอวีหงก็รู้สึกหน้ามือตาลายขึ้นมาทันที ชินเหลียนซานรีบพ่อไปประคองนางไว้ได้ทันท่วงทีจึงไม่ล้มพับลงไปอย่ามาพูดจะเละ่เอกน้องชายเจ้าก็แค่มาของเงินเจ้าบ้างติดคุกไม่กี่วันก็ออกมาแล้วแม้ปากของชินเหลียนซานจะแข็งแต่ในใจเขากลับเริ่มหม่นไหวซูมานอินเย็ดยิ้มเย็นเสียแรงที่เกิดมานานคดีบุกรุกแครสถานปล้นทรัพย์โดยใช้กำลังร่วม ก, กันกระทําความผิดและทําร้ายร่างกายโดยมีอาวุธเมื่อรวมความผิดหลายกระทงเข้าด้วยกันอย่างน้อยก็ต้องมีสิบปีขึ้นไป แม้ซูมานอินจะพูดเกินจริงไปบ้างแต่การปล้นทรัพย์ในเคหสถานถือเป็นเหตุชกันซึ่งมีโทษจำคุกอย่างน้อยสิปีจริงๆสองอล า, ารตระกูลโจที่ได้ยินซูมานอินพูดเช่นนั้นก็ตกใจไม่แพ้กันหนึ่งคือตกใจว่าแค่เข้ามาอาลวาดในบ้านทำไมถึงต้องติดคุกนานถึงสิปีสองคือแปลกใจว่าซูมานอินไปรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนมากมายขนาดนี้แม่เล็กสุดยอดไปเลยค่ะ ชินเสี่ยวเยาแอบชูนิ้วโป้งให้ซูมานอินอย่างลับๆก่อนจะหันกลับไปร้องให้เกลีย้ยกล่อมพ่อแม่ของตนต่อพ่อค้าแม่ค้าแม่เล็กไม่ได้พูดโกหกหรอกค่ะเรื่องนี้มันไร้ายแรงมากจริงๆนะคะหลิวอวี๋หงที่เริ่มได้สติกลับมาคราวนี้ถึงกับลนลานทำอะไรไม่ถูกเหรียนซานจะทำยังไงดีเสี่ยวซานจะติดคุกไม่ได้นะชินเหรียนซานปั้นหน้าทำมืงไงยหน้ามองซูมานอินพรางกัดฟันเอ่ยคำขอโทษคุณดองเป็นข้าที่ผิดเองไม่ควรปากเสียดาทอท่านเลย เมื่อเห็นสามียอมก้มหัวให้ทั้งที่หน้ายังแดงกำหลิวอวีหงก็รู้สึกปวดใจเหลือเกินแต่นางก็ไม่กล้าพูดอะไรเพื่อลูกชายแล้วนางทำได้เพียงยอมอ่อนข้อตามไปด้วยคุณดงท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างช่วยเสี่ยวซานด้วยเถอะนะคะข้าข า, าขอร้องท่านละ่ะหลิวอวีหงพูดพลางทำท่าจะคุกเข่าลงโชคดีที่โจวเวยหมิงตาไวรีบเข้าไปประคองตัวนางไว้ได้ทันซูม่านอินมองโจวเวยหมิงด้วยสายตาชื่นชม คุณดงทําอะไรนะักะสูมานอินคนนี้ไม่ใช่คนใจร้ายใจดําอะไรกระอีกแค่หนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปลนฉบับเดียวไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะเมื่อได้ยินว่าสูมานอินยินดีจะเซ็นหนังสือให้สองสามีภรรยาตระกูลฉินก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกทันทีแต่ว่ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะคะสูมานอินดึงตัวฉินเสี่ยวเย่เว่มาไว้ข้างกายขอเพียงพวกท่านยอมเซ็นหนังสือตัดความสัมพันธ์และสัญญาว่าหลังจากนี้จะไม่มาวุ่นวายกับเสี่ยวเย่เว่อีก ฉันจะเขียนหนังสือแสดงความยินยอมผ่อนปรนให้เดี๋ยวนี้เลย